ปริเษที่สี่ปัทวีกสินิเทศเลือกหาวัดอันสมควรแก่ภาวนาบัดนี้จะอาธิบายโดยพิสดารในหัวข้อสังเขตที่ข้าพเจ้าเด็กเหล่ามาแล้วว่าพึงออกจากวัดอันไม่สมควรแก่การภาวนาสมาธิไปอยู่ณที่วัดอันสมควรดังต่อไปนี้ โยคีบุคคล น, นั้นพึงอยู่เจริญกรรมฐานให้บริสุทธิน์ณะที่วัดเดียวกันกับอาจารย์นั่นแหละตราบเท่าที่ตนมีความผาสุกสบายแต่ถ้าไม่มีความผาสุกสบายณนะที่วัดนั้นก็พึงไปอยู่ณที่วัดอื่นอันเป็นที่สบายในระยะทางห่างจากวัดพระอาจารย์ประมาณร้อยเส้นหรือสองร้อยเส้นหรือแม้ประมาณสี่ร้อยเส้นก็ได้ก็แล รันอยู่ห่างในระยะทางเท่านั้นเมื่อเกิดความสนเท่สงสัยหรือเกิดความหลงลืมในหัวข้อกรรมฐานบางประการจะได้ตื่นลุกขึ้นทํากิจวัตรในวัดให้เสร็จแต่เช้าแล้วออกจากวัดเที่ยวบินธบาตไปในระหว่างทางพอเวลาฉันเสร็จแล้วก็ให้ถึงที่อยู่ของพระอาจารย์พอดีสอบถามชําระกรรมฐานให้บริสุทธิ์สิ้นสงสัยในสํานักของพระอาจารย์เสียแต่ในวันนั้น พ อ, อวันที่สองก็มานัสการกราบลาพระอาจารย์แล้วก็ออกเดินทางกลับแต่เช้าเที่ยวรับบินทบาทไปในระหว่างทางยังไม่ทันจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าอะไรก็จักมาถึงที่อยู่ของตนพอดีส่วนโยคีบุคคลผู้ซึ่งไม่ได้อยู่ที่อันผาสุขสบายแม้ในระยะทางประมาณสี่รอเส้นนั้นจงตัดข้อขอดที่เข้าใจได้ยาก ในกรรมฐานให้กระจางแจ้งทุกประการจำระกรรมฐานให้บริสุทธิ์ด้วยดีขึ้นอยู่กับใจได้แล้วจะพรากออกจากวัดอันไม่สมควรแก่การภาวนาสมาธิไปอยู่ณที่วัดอันสมควรแม้ไกลกว่านั้นก็ได้วัดที่ไม่สมควรแก่สมาธิภาวนา ในวัดที่สมควรและไม่สมควรนั้นวัดที่ประกอบด้วยโทษส8ประการอย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่าวัดไม่สมควรโทษสิบปดประการในวัดนั้นดังนี้คือหนึ่งมหัดตังวัดใหญ่สองนวัดตังวัดสร้างใหม่ 3. าชินนัดตังวัดที่ชำรุดสปันธนิษฐิต ต, ตัง วัดที่อิงทางหลวงห้าโสนทีวัดมีสระน้ำหกปันนังวัดมีใบไม้ใช้เป็นผักเจ็ดปุกผังวัดมีไม้ดอกแปดลังวัดมีผลไม้เก้าปัทเธียตาวัดที่มีคนขึ้นมากสิบนัครสันนิสิตตา วัดที่อิงเมือง 11. ทารุสานิสิตตตาวัดที่อิงป่าไม้ 12. เขตสันนิสิตตาวัดที่อิงไร่นา 13. วิสภาคานังปุคลานังอติตาวัดที่มีคนไม่ลงรอยกัน 14. ปั ต, ตนะสันนิสิตตาวัดที่อิงท่า 15. จ, จันตสันนิสิตตตาวัดที่อิงบ้านป่าชายแดน 16. ราชศีมาสันนิสิตตตาวัดที่อิงเขตแดนประเทศ 17. บเจอสัพพยตาวัดที่ไม่มีความสบายและ18กัลยาณมิตานังอลาโภวัดที่หาอาจารย์ผู้กัลยาณมิตรไม่ได้ วัดที่ประกอบด้วยโทษสิปประการอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้แลชื่อว่าวัดที่ไม่สมควรแก่สมาธิภาวนาโยคีบุคคลไม่ควรไปอยู่ณวัดเช่นนั้นอธิบายวัดที่ประกอบด้วยโทษสิบปประการถามเพราะเหตุไรจึงไม่ควรอยู่ณนะที่วัดอันประกอบด้วยโทษสิปประการนั้นตอบเพราะเหตุดังต่อไปนี้ หนึ่งวัดใหญ่ในวัดใหญ่ๆย่อมมีภิกษุและสัมเนรที่ต่างจิตต่างใจกันมารวมอยู่เป็นจำนวนมากภิกษุสมมเนรเหล่านั้นย่อมจะไม่ช่วยกันทากิจวัดเพราะต่างก็เกี่ยงซึ่งกันและกันสถานที่ทั้งหลายเช่นลานพระศรีมหาโพเป็นต้นก็ไม่ช่วยกันปัดกวาดให้สะอาดเกลี้ยงกล่น้ำฉันน้าใช้ก็ไม่ช่วยกันตัก โยคีบุคคล น, นี้อยู่ในวัดเช่นนั้นแล้วครั้นตระเตรียมว่าจะไปบินธบในโคจรคามถือบาและจีวอนเดินออกไปถ้าเห็นกิจวัตรยังไม่มีใครทำหรือหม้อน้ำดื่มยังเปล่าเมื่อเป็นเช่นนี้เธอก็จะต้องหยุดทำกิจวัตรตักน้ำดื่มมาเตรียมไว้เมื่อไม่ทำหรือก็จะต้องอาบัตทุกกฎในเพราะเหตุวัตรเพศคือทาลายกิจวัตร เมื่อเธอมัวทากิจวัตรอยู่เล่าเวลาการก็จะล่วงเลยสายไปครั้นเธอเข้าไปในโครจราคามสายมากพิกษาหาสหมดเสียแล้วก็จะไม่ได้พิกษาหารอะไรแม้แต่ น, น้อยอันหนึ่งถึงโยคีบุคคลจะได้หลบไปอยู่ณนะที่อันเร้นลับแล้วก็ตามก็จะฟุ้งซ่านด้วยเสียงเจียวจาวของพวกภิกษุหนุ่มและสามเณรทั้งหลายและด้วยการงานต่างๆของสง แต่วัดใหญ่ใดมีภิกษุสามเณรช่วยกันทำกิจวัตรเรียบร้อยหมดทุกอย่างและไม่มีความกระทบกระเทือนแม้อย่างอื่นๆแต่ประการใดก็ควรอยู่ณนะที่วัดใหญ่แม้เห็นปานนั้นได้สองวัดสร้างใหม่ในวัดที่สร้างใหม่นั้นย่อมจะมีนวกรรม คือการก่อสร้างมากอย่างหลายประการเมื่อโยคีบุคคลไม่ช่วยทำเขาก็จะติเตียนเอาแต่ในวัดใดภิกษุทั้งหลายพูดให้โอกาสว่านิมนต์คุณทำสมณธรรมตามสบายเถอนะนวกรรมการก่อสร้างพวกเราจะช่วยกันกระทำเองดังนี้ก็ควรอยู่ณนะที่วัดซึ่งสร้างใหม่เห็นป่านนี้ได้สาม วัดที่ชมรุดในวัดที่ชมรุดสุดโทมนั้นย่อมจะต้องมีสิ่งที่จะพึงปฏิสังขรซ่อมแปลงมากชั้นที่สุดแม้มาดว่าเสนาสนะของตนเองเมื่อไม่ปฏิสังขรซ่อมแปลงเขาจะพากานติเตียนเอาเมื่อมัวแต่ปฏิสังขรซ่อมแปลงอยู่กรรมฐานก็จะเสื่อมไป แต่ในวัดใดที่มีภิกษุทั้งหลายพูดให้โอกาสว่าดีมนคุณจงทําสมณธรรมตามสบายเถิดพวกเราจะช่วยกันปฏิสังขรซ่อมแปลงเองดังนี้ก็ควรอยู่ณที่วัดซึ่งชำรุดเห็นป่านี้ได้สวัดที่อิงทางหลวงในวัดที่อิงทางหลวงนั้น ย่อมจะมีพวกภิกษุอคันตุ ก, กะทั้งหลายมารวมทั้งกลางคืนและกลางวันโยคีบุคคลจะต้องให้เสนาสนะของตนแก่พวกอคันตุ ก, กะที่มาถึงในเวลาวิการมืดแล้วตนเองจะต้องไปอยู่ที่โคนไม้หรือพลานหินข้อนี้ตามปกติภิกษุเจ้าของวัดจะต้องเคารพ ก, การปฏิสันานจึงต้องปฏิบัติเช่นนั้นแม้ในวันรุ่งขึ้น ก็จะเป็นเช่นนี้นั่นเทียวดังนั้นโอกาสย่อมจะไม่มีเพื่อกรมัฐานแต่ในวัดใดไม่มีการเบียดเบียนของพวกอคันตุ ก, กะในทํานองนี้โยคีบุคคลก็ควรอยู่หน้าที่วัดซึ่งอิงทางหลวงเช่นนั้นได้ห้าวัดมีสระน้ำวัดมีสระน้ำนั้น ได้แก่วัดที่มีสระน้ำที่กรุด้วยหินถาวรมั่นคงเป็นหลักฐานในวัดเช่นนั้นย่อมจะมีมหาชนพากันมาชุมนุมกันเพื่อต้องการน้ำและพวกศิษย์ของพระเทรรทั้งหลายผู้อาศัยราชตระกูลซึ่งอยู่ในเมืองก็จะพากันมาซักย้อมผ้าเมื่อพวกลูกศิษย์เหล่านั้นมาถามหาภาชนะและฟืนหรือรางย้อมผ้าเป็นต้นโยคีบุคคล ก็จะต้องสารวนคอยชี้บอกว่าอยู่ที่โน่นและที่โน่นแน่เธอก็จะเป็นผู้กังวลเป็นนิดแม้ตลอดการทั้งปวงจึงไม่ควรอยู่ณที่วัดเช่นนั้นหกวัดมีใบไม้ใช้เป็นผักในวัดใดมีใบไม้ที่ใช้รับประทานได้นาน า, นาชนิดในวัดเช่นนั้น เมื่อโยคีบุคคลเรียนเอากรรมฐานแล้วไปนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่หน้าที่อยู่สำหรับกลางวันพวกสตรีที่เก็บผักก็จะพาการร้องเพลงไปพลางเลือกเก็บผักไปพลางอยู่หน้าที่ใกล้ๆจะทำให้เป็นอันตรายแก่กรมมฐานด้วยความกระทบแห่งเสียงอันเป็น่าศึกจึงไม่ควรอยู่หน้าที่วัดเช่นนั้นเจ็ด วัดที่มีไม้ดอกและในวัดใดมีกอไม้ดอกน า, นานาชนิดแตกบานอยู่อย่างสะพรัง่งแม้ในวัดเช่นนั้นก็จะเป็นอันตรายแก่กรรมฐานเช่นเดียวกันนั่นเทียวจึงไม่ควรอยู่ณที่วัดเช่นนั้น8วัดที่มีไม้ผลในวัดใดมีไม้ผลนานาช น, น, น, นิด เช่นมะม่วงชมพูและขนุนเป็นต้นในวัดเช่นนั้นคนทั้งหลายที่ต้องการผลไม้จะพากันมาขอเมื่อไม่ให้เขาก็จะโกรธหรือมิฉนั้นก็จะพากันสอยเอาโดยพระการตกเวลาเย็นโยคีบุคคลมาเดินจงกรมในกลางวัดเห็นคนเหล่านั้นเข้าก็จะต่อว่ากับเขาว่าอุบาสกทั้งหลายทำไมจึงพากันทาอย่างนั้น เขาก็จะพากันดาเอาแต่ชอบใจเขาจะพยายามแม้เพื่อที่จะไม่ให้เธออยู่ต่อไปจึงไม่ควรอยู่ณที่วัดเช่นนั้นเกวัดที่มีคนขึ้นมากก็แลโยคีบุคคลผู้อยู่ณที่วัดซึ่งมีคนขึ้นมากเช่นวัดทขินคีรีวัดหัตถิกุชิวัดเจติยคีรี วัดจิตตะบันโพธิ์ชื่อวัดเหล่านี้ทั้งหมดอยู่ในประเทศหลังกาทั้งนั้นสมัยรจนาหนังสือนี้เป็นวัดมีชื่อเสียงคนขึ้นมากวัดซึ่งมีคนขึ้นมากเหล่านั้นซึ่งชาวโลกยกย่องว่าเป็นที่เร้นลับมนุษย์ทั้งหลายพาการนิยมสันเสริญว่าท่านผู้นี้เป็นพระอรหันต์แล้วใกล้จะได้กราบไหว้บูชาจึงพากันหลังไหลมาหาโดยรอบทิศ ด้วยเหตุนั้นโยคีบุคคล น, นั้นก็จะไม่มีความผาสุขสบายแต่ว่าวัดเช่นนั้นย่อมเป็นที่สบายแก่โยคีบุคคลใดเวลากลางวันเธอพึงหลบไปอยู่เส้นหน้าที่อื่นรั้นตกเวลากลางคืนจึงค่อยมาอยู่สิ 10. วัดที่อิงเมือง ในวัดที่อิงเมืองนั้นย่อมมีอิฐถารมทั้งหลายมาผ่านสายตามากมายมีกระทั่งแม้พวกนางกุมพธาสีทั้งหลายได้แก่พวกหญิงรับจ้างตักน้ำด้วยหม้อพากันถือหม้อน้ำเดินเสียดสืบไปไม่หลีกทางให้กับทั้งมีพวกมนุษย์ที่เป็นใหญ่พากันไปกลางม่านนั่งอยู่ตามวัดจึงไม่ควรอยู่ณที่วัดเช่นนั้น สิวัดที่อิงป่าไม้ก็แลในวัดที่อิงป่าไม้นั้นวัดไดมีพืชและต้นไม้ที่ใช้ประกอบเครื่องอุปกรณ์แก่ทับสัมภาระบ้านเรือนได้ในวัดเช่นนั้นพวกคนเก็บฟืนทั้งหลายย่อมจะพากันทำความไม่ผาสุกให้เหมือนกับพวกสตรีที่เก็บผักและเก็บดอกไม้ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นและไม้ทั้งหลายที่มีอยู่ในวัด มนุษย์ทั้งหลายชวนกันว่ารอจักไปตัดไม้เหล่านั้นมาทําเรือนแล้วก็พากันมาตัดเอาไม้ไปถ้าในเวลาเย็นเย็นโยคีบุคคลออกจากกุฎีที่ทําความเพียรไปเดินจงกรมอยู่กลางวัดเห็นเข้าแล้วจะพูดเตือนเขาว่าอุบาสกทั้งหลายทําไมจึงพากันมาทำเช่นนี้เขาก็จะพากันด่าเอาตามใจและเขาจะพยายาม เพื่อไม่ให้เธออยู่ต่อไปอีกจึงไม่ควรอยู่ณวัดเช่นนั้นสิบสองวัดที่อิงไรนาและวัดใดเป็นวัดที่สร้างอิงไรนาคือมีไรนาทั้งหลายล้อมรอบวัดในวัดเช่นนั้นจะมีพวกมนุษย์พากันไปทําลานข้าวกลางวัดนั่นเทียวแล้วนวดข้าวบางก็จะพากันไปนอนตามหน้ามุก ยอมจะพาการทำความไม่พาสุกแม้อย่างอื่นๆให้เป็นอันมากแม้วัดใดมีสมบัติสง์มากพวกรักษาวัดก็ปล่อยโคทั้งหลายไปกัดกินข้าวของตระกูลทั้งหลายบางก็จะพากันไปปิดกั้นทางน้ำไหลมนุษย์ทั้งหลายจะถือเอารวงข้าวมาเป็นพยานแสดงให้สงทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าเห็นไหมกรรมของพวกคนรักษาวัดของพระผู้เป็นเจ้า ด้วยเหตุนั้นนั้นภิกษุทั้งหลายก็จะต้องไปยังประตูพระราชวังหรือประตูบ้านของราชมหาอมาทั้งหลายในข้อนี้สมัยนี้หมายความว่ารักภิกษุจะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลบ้านเมืองเสมอเพราะเหตุคนวัดก่อเรื่องขึ้นให้ทั้งนี้เพราะวัดมีสมบัติมากเป็นเหตุแม้วัดที่มีสมบัติสงฆ์มากเช่นนี้ท่านก็สงเคราะห์เข้ากับวัด ที่สร้างอิงไร่นานั่นเทียวจึงไม่ควรอยู่ณที่วัดเช่นนั้นสิบสี่วัดที่อิงท่าแม้วัดใดที่สร้างอิงท่าน้ำเช่นท่าเรือหรือที่สร้างอิงท่าบกเช่นที่พักเกวียนหรือที่พักต่างหรือท่าอากาศยานสถานีจอดรถในวัดเช่นนั้น ย่อมจะมีมนุษย์ทั้งหลายซึ่งโดยสารมาด้วยเรือและโคต่างๆเป็นต้นพากันเบียดเบียนทาความไม่ผาสุขให้อยู่เนืองเนืองว่าขอได้โปรดให้โอกาสที่พักด้วยขอได้โปรดให้น้ำดื่มด้วยขอได้โปรดให้เกลือด้วยดังนี้เป็นต้นจึงไม่ควรอยู่นวัดเช่นนั้นสิบห้าวัดอิงบ้านป่าชายแดน ในวัดที่สร้างอิงบ้านป่าชายแดนนั้นย่อมจะมีแต่พวกมนุษย์ที่ไม่เลื่อมใสศรัทธาในรัตนะทั้งหลายบีพระพุทธรัตนเป็นต้นด้วยเหตุนั้นความอยู่ผาสุขในวัดเช่นนั้นย่อมจะไม่มีแก่โยคีบุคคลส6หวัดที่อิงเขตแดนประเทศในวัดที่สร้างอิงเขต ร, ระหว่างประเทศนั้น ย่อมมีราชภัยจริงอยู่พระราชาองค์หนึ่งย่อมจะทรงทาการรุกรกกับประเทศนั้นด้วยทรงสำคัญว่าพระราชานี้ประพฤติเป็นไปในอำนาจของเราแม้พระราชาอีกองค์หนึ่งนอกนี้ก็จะทรงทาการรุกรกกับประเทศนอกนี้ด้วยสำคัญว่าพระราชานี้ไม่ประพฤติเป็นไปในอำนาจของเรา ภิกษุผู้โยคีบุคคลที่อยู่ในวัดเช่นนั้นบางครั้งก็จะเที่ยวไปในแว่นแควนดินแดนของพระราชาพระองค์นี้บางครั้งก็จะเที่ยวไปในแว่นแควนแดนดินของพระราชาพระองค์นั้นเมื่อเป็นเช่นนี้พวกราชบุรุษทั้งหลายก็จะสงคัญผิดไปว่าภิกษุนี้เป็นเจาราบุรุษคือเป็นสายลับและก็จะทาให้ถึงซึ่งความชิบหายเสียซึ่งไม่ควรอยู่ณที่วัดเช่นนั้น 17. เจ็ดวัดที่ไม่มีความสบายวัดที่ไม่มีความสบายนั้นได้แก่วัดไม่เป็นที่สบายเพราะเหตุเป็นที่มารอบแห่งอารมณ์ต่างๆมีรูปอันเป็นค่าศึกคือรูปที่ยั่วย้าวเร้าหลอกเป็นต้นหรือเพราะเป็นวัดที่มีอมนุษย์ยึดครองในวัดที่มีอมนุษย์ยึดครองนั้นมีเรื่องตัวอย่างดังนี้ มีเรื่องเล่าว่าพระเถระรูปหนึ่งอยู่ในวัดป่าแห่งหนึ่งครั้งนั้นมียักษิศีตนหนึ่งไปยืนขับร้องอยู่ที่ประตูบรรณาศาลาของพระเถระนั้นพระเถระจึงได้ออกมายืนอยู่ที่ประตูยักษินีเลื่อนไปขับร้องอยู่ตรงศีรษะที่จงกรมพระเถระได้ตามไปยังที่ศีรษะที่จงกรมอีก ยักษินีได้เลื่อนไปยืนขับร้องอยู่ที่ปากเหวซึ่งลึกร้อยชั่วโมดุด้วยหมายว่าจากผลักพระเทระซึ่งตามมาณที่นี้ด้วยเสียงเพลงขับให้ตกลงไปในเหวแล้วก็จะกินแต่พระเทระได้กลับคืนเสียไม่ตามไปในทันใดนั้นยักษินีได้วิ่งมาโดยเร็วจับที่ก้านคอพระเทระพลางพูดว่าจะไปไหน แล้วได้เรียนพระเถระว่าท่านเจ้าขาบุคคลอย่างท่านพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยที่ฉันจับกินมามากแล้วไม่ใช่เพียงคนสองคนเท่านั้นฉชนนี้สิบปดวัดที่หากาลยานมิตรไม่ได้วัดที่หากาลยานมิตรไม่ได้นั้นอธิบายว่า ในวัดใดโยคีบุคคลไม่อาจที่จะได้ซึ่งกัลยานมิตรคือพระอาจารย์หรือท่านผู้เสมอกับพระอาจารย์ก็ดีพระอุปัชาหรือท่านผู้เสมอกับพระอุปัชาก็ดีการหาไม่ได้ซึ่งกัลยานมิตรทั้งหลายเช่นนั้นในวัดนั้นนับเป็นโทษอันใหญ่หลวงทีเดียวด้วยประการชนนี้นักศึกษาพึงทราบว่า วัดที่ประกอบด้วยโทษ18ประการอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้ชื่อว่าวัดอันไม่สมควรแก่สมาธิภาวนาข้อนี้สมด้วยคาถาประพันธ์อันท่านอัตถกาถาจารย์พนานาไว้ในอัตถกถาทั้งหลายดังนี้บัณฑิตทราบถึงสถานที่18ประการเหล่านี้คือวัดใหญ่วัดสร้างใหม่วัดที่ชมรุดวัดอิงทางหลวงวัดมีสระน้า วัดมีใบไม้ใช้เป็นผักวัดมีไม้ดอกวัดมีไม้ผลวัดที่มีคนขึ้นมากวัดอิงเมืองวัดที่อิงป่าไม้วัดอิงไร่นาวัดมีคนไม่ลงรอยกันวัดอิงท่าวัดอิงบ้านป่าชายแดนวัดอิงเขตแดนประเทศวัดที่ไม่มีความสบายและวัดที่หาการยานมิตรไม่ได้ว่าเป็นวัดอันไม่สมควรแก่ภาวนาชนี้แล้ว ถึงหลีกเว้นซสให้ห่างไกลเหมือนพ่อค้าหลีกเว้นทางอันมีภัยเฉพาะหน้าฉะนั้น